สิกขาบทที่8ที่9ที่10ว่าโดยการใช้สิกขามานาสัมเนรีครืหัดให้บีบนวดเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,210 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอาาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้สิกขามานาให้บีบบ้างให้นวดบ้าง ใช้สมณีรีให้บีบบ้างให้นวดบ้างใช้เครือหัหญิงให้บีบบ้างให้นวดบ้างคนทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตามวิหารเห็นจึงตําหนีประนามโพนธนาว่าฉนัพวกพิชชณีจึงใช้หญิงเครือหัดให้บีบบ้างให้นวดบ้างเหมือนหญิงเครือหัดผู้บริโภคกามเล่าพิชชณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นตําหนิประนามพลธนาบรรดาภิชชณีผู้มากน้อยพากันตําหนีประนามโพลธนา